ช่วงนี้เป็นช่วงกลางพรรษาอีกเดือนไม่ถึงเดือนก็เป็นวันออกพรรษาเมื่อกี้นี่ก็เป็นวันเดือนสิบเป็นผ่านมาแล้วแล้วก็เดือนกันยาเดือนตุลาวันที่สิบสองตุลาเป็นวันอาทิตย์สิบสองตุลาห้าเจ็ดที่ป้ายอยู่ที่หลังลงพ่อเน่เป็นวันทอดกทินวัดของเราหนะ้า ศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนแต่กะถิ่นปีนี้เป็นกะถิ่นพิเศษหลวงพ่อได้ประกาศเมื่อวันเดือนสิบเพนบอกว่ากะถิ่นปีนี้จะตุกปัจจัยที่ได้มาในงานกะถินพวกเราจะรวบรวมเพื่อสร้างเกียรติพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพราะวันที่ที่ทุนกระหม่อมฟ้าหญิงมาประกาศบอกว่า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 คุณสมบัติเฉลอมุตินั น, <c oughs> น, นเอเซียโกเทนไร้ถวายทุนกระหม่อมเมื่อวั น, วนครบที่วางสิเดลเลิกวันนั้นหนึ่งร้อล้านก็คงจะมีคนถวายทุนกระหม่อมอีกเป็นส่วนหนึ่งอีกบางส่วนสรุปแล้วเรยวนี้ก็ประมาณนี่แหละประมาณ 4-500 ล้านคิดว่านะเพราะฉะนั้นกลุ่มของเรานี่ที่ได้พูดออกไปแล้วลูกพอ่อเออ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 พระ อ, องค์ท่านก็ได้เสด็จมาที่วัดของเราหลวงพ่อจึงได้รู้เรื่องถามไทยในคณ ะ, ะผู้ทีมงานของพระ อ, องค์ท่านก็คือคณะหมาอาจารย์มหมาวิทยาลัยศิลปกรก็ทราบระทราบว่ า, า, า, าอีกไม่นานคงจะปีนี้หละ ค, คงจะลงมือสร้างที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อเออเอากลุ่มกองเราในเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพวกกลุ่มองเราก็ควรจะขยับควรจะขยับตัวละ่ะ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 ถ้าหากว่าเราไม่ทำจะเลยก็ไม่ว่าลุงพ่อก็ไม่ได้ว่าทาไม่อยากจะได้บุญก็ไม่ว่าถ้าอยากจะได้บุญเออมามารวมสมทบเงินทุกบาททุกสต า, างค์เรก็จะมาเก็บเข้าเป็นกองทุนรวบรวมเอาไว้ในเมื่อท่านจ่ายงวดที่นึ่งเป็นเงินเท่าไรเราก็สมทบเข้าไปงวดที่หนึ่งพองวดที่สองที่สามเราก็จะสมทบเขาเรื่อยเรื่อย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 ทำไมถึงทุกข์โจนกรรมอันไหนที่ท่านได้ทำถ้าท่านก็ได้ทำกับพระอาราหาันเหมือนกันนะคือพระทำไมก่อนท่านบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะท่านอยู่องเดียวในป่าอยู่ในวงเดียวในป่าและมีพระอาราหาันไปเยี่ยมเดินไปฐานเดินผ่านเดินทางผ่านไปไปเลยไปแวะไปแวะวัดท่านแต่ในวัดของท่านนะมีโยมอุปถากที่เป็นคนร่ำรวย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 พอในสุดก็เลยพอได้เวลาแล้วก็เดินร่อมๆๆไปกุฏิกุฏิพระอาคารทุ ก, กะที่มาพักนะก็เห็นเงียบอยู่เพราะท่านนีเลยนะก็เงียบเยสิใชปิดประตูเงียบพระอเนี่ก็เลยถ้าเอาว่าไปตีละคังใช่ไหมตามมุขติเวลาจะบินธั ต, ต, ต้องตีละคังเคาะละคังก่อนเอาคอนคอนละคังแป้งแป้งแป้งแป้งแป ง, แปงบอกก็ตีละคังแล้วก็ไปบินธบด้วยกันแต่อันนี้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 มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะแต่อันธิสงหรือว่าการบำเพ็ญของท่านมีอยอู่พอท่านมาเกิดในกรรมปิดบังฮะกรรมที่ท่านได้ทำกับพระอรหันต์นี่บินตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนตลอดเลยนี่แหละบาปตัว น, นั้นแหละกรรมตัว น, นั้นนะใช่ไกรรมชั่วอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดดีกว่าเมื่อทำลงไปแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง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 คิดในใจนะคิดอยู่นูคิดอยู่บ้านสว่างเลนะพอมาถึงวัดนาคำน้อยที่พักพาอาศัยเรียบร้อยหมดเลยทเนี่ยโอ้เออไม่ใช่เจอของจริงลเลอๆในนึกในใจนะก็ไม่ว่าอะไรแต่นี้ก็ตอนชะพอนอนเอนะี่ยกลางคืนมาออก็เลยบอกโอ้โยม อ, อ, อุปถมัมปถากวัดอาตมาเดินทางไกล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 ต่า็โอ้พระเทระทานีรู้สึกว่าได้รับทำคําสอนจากพระพุทธเจ้ามาแล้วท่านเป็นผู้สงบเป็นผู้สงบจริงๆทีนี้ท่านน่งดูใจตลอดพอวันหนึ่งเลยพอนั่งภาวนาใช่พอถึงเที่ยงคืนท่านก็ดูใจของท่าน เ, เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายใจของท่านก็เด้สํำเร็จเป็นพระหรหัร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 เพราะโยมคนนี้จริงๆผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยข่าโอ้เป็นผู้มีบุญคุณกับข้าจริงๆเอเขาได้ทําอะไรหนอกับข้าเนี่ยแต่เด็กกระนึกดูชาติที่แล้วคือเญาติที่แล้วเนี่ยเคยเป็นภรรยาเอชาตดก่อนก็นเป็นภรนยาพอไปถึงชาติที่ร้อยพอถึงชาติที่ร้อยนับนับจากชาตินี้ไปถึงชาติที่ร้อยเมียตัวเองข่าตัวเองบาเนี่อ เ ม, ม, ม, มียเมียผู้ใหญ่บ้านเ น, นี่ยว่างั้นเถอะฆ่าตัวเองพอไปฆ่าตัวเองเลยฉันรุ่งเลย <c oughs> โห้ไม่ใช่มีคุณอย่างเดียวมีโทษด้วยนี่วะฆ่าเรานี่วะว่างั้นแต่ทั้งที่เป็นพระรหนันต์เนี่ยังยังอันนั้นอยู่นะยังตื่นอยู่ว่างั้นเถอะทางอุบาสิกาที่อยู่ที่บ้านเขาได้เป็นพระอนาคามีนะเขาได้สาเร็จเป็นพระอนาคามีเขาก็รู้อดีตอานาคตปัจจุบันเหมือนกันรู้หมดทุกอย่าง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 เออถ้าอย่างนั้นก็อาตมามองดูแล้วอาตมาคงจะไม่ได้สั่งสอนใครเออมองแล้วก็จบแล้วแหละไม่ได้แนะนำสั่งสอนใครอาตมาลานิพพานนะเนออุบาสิกาเนะอะอาตมาลานิพพานก่อนแล้วนะเออไปตำการอันควรของท่านเถอะพระคุณท่านจากนั้นทาน่านก็ลานิพพานอนิพพานเลยในคืนนั้นเลยอันนี้ก็คือพระรหัน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 อันนั้นนะคือท่านทิ้งภาชนะกินคือทิ้งขันห้าพาลาฮาเวปัญจากขันธานขันทางห้าเป็นพระอรหันักท่านทิ้งขันห้าทท่านก็ไปถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นของท่านอันนี้แหละคือพระอรหันต์เป็นไปได้ที่ท่านจะทิ้งธาตุทิ้งขันในเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระรอรหันต์เตชชวิโชสละเพญโยปิสัมปิโตปิสัมพิทปัปโตป แต่นอกจากนั้นเน่หลวงพ่อว่ามันจะเป็นอรหันเน่อัลหันซ้ายอารหันขวาอนหันหน้าอารหันหลังหันไปเรื่อ ย, ยเลยถ้าญาติโยมมาเอาถวายปัจจุปรัจรจัยถวายปัจจัยรจพระคุณท่านก็หันไปรับเท่านั้ น, นถ้าเขาดานะ่าก็หันไปอีกทางหนึ่งเลยลักษณะหันอย่างนั้นมากกว่านะพราะนั้นขอให้พวกเราฟังฟังเอาไว้นะทุกวันนี่